อืขอนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยขอกล่มพรกลมพระอาจารย์ยุกิเพื่อนสตรมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ชีระยะที่ทำทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพระเนาะเราก็ได้สวดบทพนะพุทธคุณร้อยบทนะความจริงเมื่อกี้ดูพุทธคุณร้อยบทยังน้อยไปนะจริงๆแล้วน่าจะมากๆนะอาจจะเป็นเป็นแสนเป็นล้านบทเลยก็ได้ พอร้อบทนี่จริงๆแล้วยังอพนานาคุณของพุตรเจ้าได้ไม่ครบถ้วนเนาะแต่ทุกวันนี้นะอาตมารู้สึกว่าโชคดีที่ว่าได้เกิดมาในยุคนี้นะันแหละโชคดีโชคดีมากเพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะแต่ยิ่งศึกษาพุทสนาแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าโชคดีมากเนะี่ยเพราะว่าเชื่อตามที่พระเจ้าบอกไว้นะั่นแหละบอกว่าประการแรกนะนะนะการได้เกิดมนุษย์ นี่เป็นโชคดีที่สุดกิจโฉมนุษย์ศาปฏิลาโพนะความได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภการบุญเสริเนะตอนแรกก็ดูว่าเออจริงไหมเราเกิดเป็นมนุษย์นี้มันยากไหมนะพอศึกษาไปเรื่อยๆก็บอกว่าอืมสัตร์นี่มันมีมากกมนุษย์มากมายเนาะนับไม่ท้่วนนะ ขนาที่เราวัาพดพระเจ้าก็ได้แสดงในพระ ส, สูตรแบบว่าตอนนั้นท่านก่็เอาเล็บช้อ น, นฝุ่นขึ้นมาติดปลายเล็บแล้วถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฝุ่นที่ติดปลายเล็บของเรากับฝุ่นในหมหาปฏิปีอย่างไในจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าฝุ่นที่ติดปลายเล็บของพระองค์ไม่อาจจะเทียบกับฝุ่นในหมหาปฏิปีได้เลย พระเจ้าบอกว่าฉันใดก็ฉันนั้น่ะผู้ที่ตายแล้วจะกลับมาเกิดมนุษย์มีน้อยเท่ากับฝุ่นที่ติดปายเล็บของเราส่วนผู้ทตายแล้วไปเกิดในกำเนิดอื่นมีเท่ากับฝุ่นในมหาปฏิพีฉันนั้นเนาะก็เลยโอ้เราเกิดมนุษย์นี้ก็มีบุญมากนะเป็นฝุ่นติดปายเล็บเนาะแล้วก็ทรงบอกว่าการเกิดมนุษย์นี้มันยากนะ่นะมันกับเตาตาบอดนั่นแหละ อยู่ใต้มหาสมุทรต่อร้อยปีจึงได้โผล่ศิรษะขึ้นม า, าเหนือมหาสมุทรสักครั้งหนึ่งนะก็คือร้อยปีจึงจะได้ขึ้นมาไหวเหนือมหาสมุทรสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเต่าตาบอดแล้วบนมหาสมุทรนั้นก็จะมีล้อเกวียน์ล่องลอยไปตามทิศ ต, ต่างๆไม่รู้อย่างอยู่ทิศใดในมหาสมุทรอันกว้างขวางนั้นแล้วก็มีลมพัดจากทิศทั้งสี่พัดให้ล้อเกวียนนั้น ลั่นไปลั่นมาหาจุดกําหนดแน่นอนไม่ได้ต่อเมื่อเต่าตาบอดนั้นเอาศรีรษะโผล่ขึ้นมาในกลางลากเวียนได้สักครั้งหนึ่งนั่นแหละคือการได้เกิดมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนาะมันยากมากยากมากนะผู้ใดเคยไปเที่ยวทะเลจะรู้แล้นะโอ้ทะเลกว้างใหญ่ขนาดไหนบางทีมองไปข้างหน้ายังไม่เห็นแผ่นดินเลยนะสมัยก่อนอาตมาก็เคยไปเที่ยวทะเลทะเลที่ยวข้างแรกโอ้โหแย่เลย มันจะรู้สึกว่าขึ้นไส่นะแล้วมันก็คล้ายๆมันเม า, ม เ, มามเมาเมาเรือบางคนเมารถนี่เมาเรือสามวันแรกปรับตัวแทบไปแย่เนาะลั่นไปไม่เห็นฝั่งจริง ๆ, <S 1> <S 1> ๆยางคิดว่าโอ้ถ้าเราอยู่กลางทะเลนะบางทีไม่รู้จะไปทิศทางไหนมันก็จะหลงทางนะเ<ๆ>พราะนั้นคนเดินเรือสมัยก่อนเขาก็ไม่มีเข็มทิศกันสมัยโบราณนะไม่มีเข็มทิศแล้วก็ไม่มีกล้องส่องทางไกล นะบางทีจะไม่รู้พิกัดต่างๆอาจจะเป็นการเดินเรือครั้งแรกเวลาเขาหลงทางทางทะเลก็จะทําอย่างไรเขาก็จะมีนกไปด้วยนะมีนกไปด้วยแล้วก็จะปล่อยไปนะเราดูว่านกจะไปทางทิศไหนนะถ้านกมองไปแล้วไม่เห็นแผ่นดินก็จะกลับมาที่เรืออย่างเก่านะะแล้วต่อไปก็แล่นไปก็ปล่อยนกเองคราวนี้ท่านกเห็นแผ่นดินก็จะบินไปที่แผ่นดินนะเรือก็จะแล่นตามนกไปก็จะเจอแผ่นดินเนาะ แสดงว่าโอ้มหาสมุทรนี้มันกว้างใหญ่โมโหลานมากเลยนะะเพราะฉะนั้นเต่าตาบอดในโอกาสที่จะเข้าไปในกลางห่วงเนี่ยมันยากมากเพราะนั่นนี่คือการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์สักครั้งหนึ่งต่อเมื่อเต่าตาบอดเราหัวก็ไปในห่วงเนาะมันจึงยากขนาดนั้นนะครั้นี้ที่ว่าสัตว์มันมากกว่ามนุษย์นี้จริงๆแล้วมันมันมากกว่ามากมายอย่างไรนะ อย่างที่ในในวัดนี้จะมีสัตว์ต่างๆางมากมายแลยวนะสมัยก่อนเคยอยู่กุสิปสาบนเขานะเวลาเดินลงมาทําวัดนี้นะประมาณตีสามกว่าก็จะเห็นปวกเดินขบวนกันอะเป็นสี่แถวห้าแถวเดินเรียงแถวตอนสี่แถวห้าแถวไม่รู้ว่าเดินตั้งแต่เมื่อไหร่น ะ, น ะ, นะพอชันเสร็จแล้วกลับขึ้นไปครั้งหนึ่งประมาณเกือบเกือบเก้าโมงก็ยังเห็นเดินอยู่อย่างเก่าเป็นแนวเก่าแล้วก็เป็นกลุ่มเก่าไม่ได้เปลี่ยนทิศทางนะแล้วก็ไม่รู้จะเดินไปสิ้นสุดเวลาไหน นื้อแดงว่าปวกแค่ลังเดียวก็มีเป็นแสนเป็นล้านไปแล้วมันมันเทียบไม่ได้กับผู้ที่อยู่วัดไะอยู่วัดเต็มที่ก็เป็นร้อยแต่สัตว์นี่น่าจะเป็นประเมินดูนายเป็นพันพันล้านนะหลายพันล้านด้วยเฉพาะในวัดป่าสาทุโตอย่างเดียวก็เลยเข้าใจอย่างที่พระเจ้าบอกนั่นแหละว่าเราเกิดมนุษย์นี่มันยากนะเกิดเป็นสัตว์มันมีมากมายแล้วนอกจากที่เราในพวกลมไม่ต้องสารเวทภูมินะ แต่ที่เราเห็นจริงๆมันแค่สองภูมินั้นเองคือภูมิมนุษย์กับภูมิสัตว์เดรัจฉานนี่แหละก็ยังเทียบกันไม่ได้นะแล้วที่ไปกําเนิดในกําเนิดอื่นมากมายนะเป็นเปรตอสุรกายสันนรกนะเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยิงดับไม่ถ้วนซึ่งเรามองมาเห็นในจิตวิญ ญ, ญาณต่างๆด้วยตาของเรานะอันนี้ถึงว่าเออจริงนะ่ทวุจารบอกว่าการเกิดมนุษย์นี้อเป็นสิ่งประเสริฐเป็นลายเป็นประเสริฐแล้วนะ ต่อมาท่านก็ บ, บอกว่าเมื่อเกิดมาแล้วมีชีวิตรอดอยู่นะการที่เรามานั่งฟังทุกวันนี้เราก็โชคดีแล้วเนาะบางคนบอกว่าไม่เห็นว่าไอ้ความปกติมันจะโชคดีตรงไหนเลยนะไอ้ความมันปกติมันสุดยอดความโชคดีแล้วเนะ่ะพอเราเป็นโรคปั๊บนะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะอ่แค่ไม่สบายปุ๊บเราจะรู้เลยว่าไอ้ปกติมันโชคดีขนาดไหนเนาะจริงเป็นโรคร้ายแรงนะเป็นมะเร็งนะเป็นลูก่าความเป็นปกติมันโชคดีมากอ่าเป็นเบาหวานโอ้ กติมันโชคดีจริงๆนะก็คือไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยมันสุดยอดในความโชคดีแล้วไม่ได้ไปหาโชคดีอะไรถูกรัตตรลีวันอ่าที่หนึ่งร้อยครั้งนะหรือเศรษฐีมาเศรษฐีมีอ่าพันล้านแสนล้านไม่มีประโยชน์เลยมีเยอะๆแล้วต้องไปนอนลงพยาบาลนะเลยอยู่บ้านนะนอนบนเตียงทั้งวันให้คนอ่าคอยรักษาพยาบาลไปไหนก็ไม่ได้นะเนะี่ยบอกว่าถ้า มีแสนล้านนี่ยอมเสียแสนล้านไปซื้อสูรภาพไประตูปกติอย่างเก่าเขาก็ยังยอมเลยเนาะเนะ่ยเพราะนั้นเรามีชีวิตรอดอยู่นะถือว่าเราโชคดีแล้วแล้วก็เป็นผู้ที่ปกติด้วยนะคนที่เกิดที่หลังเราอตายไปต้องเยอะแยนะเกิดก่อนเราก็ตายไปเยอะแยะเนาะตรงเนี้เป็นที่เมื่อกี้เราสวดนะที่ว่าเออให้พิจารณาอที่ว่านะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในโอวาสุดท้ายนะดูความพิสูจน์ทั้งหลาย เธอทั้งยาเธอทั้งหลายตรงยาได้ประมาทให้ยังประโยชน์ตอนลอประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเธอความแม่ปหมายก็คือให้เราพิจารณาว่าเราต้องตายอยู่บ่อยๆนะเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายหรือเราพิจารณาตรงนี้แล้วเราก็จะไม่ไมประมาทแล้วก็ทําความดีไปนะหาทางพ้นจากความทุกข์นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าได้ย้ำเอาไว้ในตอนสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ตั้งใจนะที่ว่าเราจะรู้ว่าเรา โชคดีขนาดไหนแล้วเราก็ประมาทอยู่นะเออปกตินี่คือคือโชคดีแล้วนะต้องอาศัยความโชคดีนี่แหละมายังกว่ามไม่ประมาทด้วยเหมือ่อตอนนี้นะมันปกติก็ต้องมาขึ้นลมไม่มีก็ต้องหัดว่ายน้ำนะพอว่ายน้ําได้เป็นแล้วมีขึ้นลมมาแล้วก็สู้ก็ได้แต่เป็นปกตินี่เราไม่ฝึกปฏิบัติธรรมไปรอฝึกตอนจะใกล้ตายมันก็ก็ไม่ทันเนาะ <laughs> มันจะจมน้ําตายซะก่อนนะรอให้เรือล่มแล้วก็ไปฝึกว่ายน้ำมันก็ไม่ทันซะแล้วเนะ ต่อมาก็บอกว่า่การได้พบผู้ธศาสนานีอ้อันนี้เป็นความโชคดีเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคราวนี้มานั่งนึกดูเอ้จริงไหมเราพบศาสนานถ้าเราเกิดในศาสนานอื่นมันจะโชคดีไหมนะ ก, ก็อาจจะดีนะในแนวที่ว่าเรามีศรัทธาในศาสนาต่างๆเหล่านั้นนะอศาสนานเรามีศรัทธาในในศาสนาใดเราก็จะมีความสุข ได้บําเพ็ญในศาสนาเหล่านั้นนะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเราก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์อย่างแน่นอนนะถ้าเราทําตามศาสนาเหล่านั้นซึ่งสอนให้เราไม่ทําความชั่วให้เราทําความดีนะเราต้องไปขึ้นสวรรค์แน่นอนเลยอาจจะได้ไปอยู่กับพระเจ้านะแต่ว่าพุทธศาสนานี่มีจุดเด่น อ, อย่างหนึ่งว่าให้ทําใจให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ทองใสเนาะตรงนี้ในศาสนาอื่นจะไม่มีนะตรงนี้เป็นอ่าถือว่าเป็นจุดเด่นของพุทธศาสนานนะ พอนอนเราเร า, เราทําความดีไม่ทําความชั่วแล้วเราก็ทําใจให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์องใสด้วยเนี่ยมันมันเป็นมันต่างกับตรงนี้นะจึงว่าเออเราโชคดีที่ได้พบอผู้ศาสนานะพระพุทธเจ้าได้สอนสิ่งเหล่าเนี่ยแล้วเราจะได้เดินเดินตามท่านและอย่างหนึ่งนะสําคัญก็คือท่านเดินผ่านมาแล้วนะเดินผ่านมาแล้วเมื่อก่อนท่านก็อเหมือนกับพวกเรานั่ยแหละท่านก็อาจจะมีความโลคความกวดความหลงอยู่บ้างนะ ครั้งนี้ยท่านท่านก็เห็นว่าเอยทางนั้นมันมันมีมันเป็นหนทางแห่งความเวียนว่ายใจเกิดนะคนเราอ่ามีความสุขขนาดไหนนะท้าพระเจ้านี่จะติดในความสุขนี้ท่านก็ติดได้อยู่แล้วท่านมีทุกอย่างครบถ้วนอยู่แล้วอยู่ในพระราช ว, วังอมีพระมหาเศรีที่งดงามอ่าจะเป็นกษัตริย์ต่อไปในภายหน้าแล้วก็มีอ่าพระราชรถด้วยมีความสมบูรณ์เรียกว่าร้อยอร์เซ็นแต่ทําไมท่าน ยอมสลัลงมานะถือสมัยก่อนเป็นเป็นบาทอาจจะเป็นกระลาก็ได้นะาบาทสมัยก่อนคงไม่เหมือนสมัยนี้หรอกพอดูแล้วเล็กๆแล้วก็ไม่มีฝาบาทด้วยอาจจะคล้ายๆอ้ลายบางอย่างที่หาง่ายเช่นกะลาเป็นต้นนะพอลงมาเราจะไปหาชามที่ไหนก็ลําบากใช่ไหมอาจจะไปหาอะไรที่มันคล้ายๆชามมันก็ไม่มีน่ะมันก็ต้องหากะลานะกะลาสมัยก่อนดินอินเดียน่ามีอยู่คนก็อาจจะมีมะพร้าวแล้วก็จะมีบางอย่างที่เป็นกระลาได้ก็เล็กๆเท่านั้นเอง บาตรตอนสมัยก่อนน่าจะเล็กๆแล้วก็ท่านก็ใช้สมมุตินะอาจจะไม่ใช่เป็นกระลาก็ได้ท่านก็ถือกลาแล้วก็เดินไปตามบ้านนะไปยืนตามบ้านแล้วให้คนเขามาใส่บาตใช่ไหมบางคนก็จะไม่ใส่บางคนก็ใส่ใส่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่มีวัดท่านอยู่ท่านก็ต้องไปนอนกลางทรายกลางป่ากลางดินกลางในที่ที่ทุร ก, กันดารขวามสำคัญกฎก็ไม่มีนะสมัยก่อนไม่มีกฎ ด, ด้วยถ้ามีกฎก็คงจะบอกไว้แล้วก็ไม่มีกฎ นะก็คงมียุงเยอะทำไมก่อนอินเดียนี่ยุงเยอะมากนะเพราะเป็นเมืองที่เราว่าเป็นป่าป่าป่าชื้นร้อนนะพวกนี้จะมียุงเยอะมันก็เร า, าวัดไกยู่กุติที่ชื้นนะ่ะต่างๆนี่ยุงเยอะๆมากนะต้นไม้เยอนะน่ะยุงเยอะยุงยุงเยอะมากแล้วอากาศร้อนก็ร้อนจัดอินเดียนี่ร้อนจัดเลยหนาวก็หนาวจัดมันมีความลําบากมากนะแต่ท่านก็อยู่อย่างง่ายได้นะ นี่แสดงว่าท่านต้องรู้ว่าหนทางนี้เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์เพราะเหมือนกับผู้ที่เป็นมาเสร็จถีเนี่ยลงมาเป็นยาจบเลยนะใครจะยอมสละอย่างนั้นแต่ท่านเห็นว่านี่มันทางพ้นทุกข์จริงๆแล้วท่านก็ดําเนินไปจนท่านพ้นทุกข์ได้จริงๆนี่จึงเห็นว่าความกลุนางท่านนี่มีมากขนาดนั้นเนาะแล้วท่านก็ผ่านไปเหมือนกับท่านเคยผ่านทางนี้มาแล้วแล้วเราก็แล้วท่านก็นํามาสั่งสอนแล้วเราก็เดินตามท่านเท่านั้นเองนะเราไม่ต้องไปหาหนทางใหม่ ถ้าหาคนทางใหม่มันก็ไม่รู้ว่าจะเดินถูกทางหรือเปล่าแต่เราแค่เดินตามที่ท่านสอนเราก็พ้นทุกได้ใช่หไหมนี่นี่แหละคือสิ่งที่ว่าเราโชคดีที่ในได้เกิดมานในผู้ศาสนานะรับประการต่อมาท่านก็ว่าได้ฟังธรรมได้ปรารถนามันมาเสริญนั้นอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดนะเพราะเมื่อเราพบศาสนาแล้วนะบางคนนี่บอกว่าเออเราเราเราอยู่วัดเราพบผู้ศาสนาอันนี้ไม่ใช่นะบางคนอยู่วัดเน่ไม่ได้เข้าถึงธรรมก็มีต้องเยอะแยะ บางคนสมัยก่อนเคยเห็นเด็กวัดเด็กวัดบางวัดตามตัวเมืองนี่แหละทำให้วัดเสียหายมากเลยนะใช้เข้าของเสียหายทิ้งขี้คว้างบางทีเตะฟุต บ, บอลโดนสิ่งต่างในวัดเสียหายอีกนะคนอยู่ในวัดก็ไม่ได้พบพบธรรมะเยอะแยะนะกันนี้แม้แต่พระก็บางทีอยู่ในวัดไม่รู้พบธรรมะหรือเปล่าก็ไม่น่าใจเหมือนกันนะ เพราะฉนั้นตรงนี้ถ้าะใครมีครบสี่อย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีสุดแล้วว่าเราได้เกิดมนุษย์แล้วเราได้พบภูศาส น, นานะเพราะฉนั้นสิ่งต่อไปก็คือทําตามที่พระเจ้าได้บอกนะนะก็คือพระเจ้าบอกว่าให้ชําระใจใของตนให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ใสนะ่นี่คือจุดหมายปลายทางในการทิศเราพบภูศาส น, นานะแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราแค่ทําความดนะีได้ให้ทานให้รักษาศีลต่างๆ ทําความดีมากมายเมื่อแต่สร้างสร้างโบสร้างมหาเป็นเงินร้อยร้อยพันพันล้านเนาะอันนั้นก็ก็เป็นการให้ทานระดับหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ทําใจให้ถึงซึ่งความผ่องใสบริสุทธิ์คือทําให้กิเลสหมดไปนะซึ่งศาสนาต่างๆเขาก็มีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอ่านขะนทางเดียวที่เราว่าเราโชคดีแล้วเราจะทําอะไรเพื่อความโชคดีนั้นก็คือเราทําใจของเราให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ผ่องใส ให้กิเลสในใจเราหมดไปนั่นเองเนาะครับในพุทธคนณร้อยบทก็มีอ่านะฟังษาสรุปสรุปใจอยู่ข้อนึ่งบอกว่าอเราเหมือนกับพระเจ้าก็อยู่เหนือกิเลสแล้วนะอยู่เหนืออ่ากิเลสตัณหาทั้งปวงนะตรงนีนะ้เป็นสิ่งที่ว่านะเราเราได้เหนือกิเลสไหมนะตรงนี้มันมันสามารถเราเห็นได้ไหมนะเมื่อก่อนเราเป็นคนโกรธเก่งนะเป็นคนอะเครียด เป็นคนอขี้บน่นเป็นคนขี้น้อยใจอเป็นคนที่อิจฉาริษยาต่างๆเหล่านี้อันนี้มันมันเป็นกิเลส ท, ทางนั้นเลยเนาะอเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาอยู่ในล่มเงาของภูษนาลมเงาวัดแล้วอเราจะสังเกตได้ไหมว่าเราอยู่ใต้กิเลสหรือเราอยู่เหนือกิเลสเนาะการที่เราอยู่เหนือกิเลสออันนี้ไม่ได้พูดถึงมุขเจ้านะอันนั้นกิเลสท่านหมดไปแล้วนะแต่พูดถึงพวกเรานะ เพราะเราอาจจะยังมีกิเลสอยู่นะอาจจะมีความโกรธเป็นต้นมีความโกรธเป็นต้นแต่เราอยู่เหนือเขาไหมนะอยู่เหนือเขาไหมเราสังเกตเห็นเขาไหมนะถ้าจริงๆแล้วเราแค่สังเกตเห็นกินเลสนี่เราก็จะอยู่เหนือกิเลสได้นะแต่เราสังเกตไม่เห็นเราก็จะอยู่ใต้เขาตลอดไปนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะสังเกตเห็นกินเลสได้ก็คือเราอ่ามีสติในการที่จะเราคอยอ่ามาดูกายดูใจนะ คือการปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ได้ปฏิบัติที่ไหนนะไม่ได้ปฏิบัติที่ในวัดนะหรือสำนักปฏิบัติธรรมที่ไหนประบัติที่กายและใจแล้วนี่แหละวันๆหนึ่งถ้าเราสังเกตกายสังเกตใจได้ตามความเป็นจริงตรงนี้เราก็จะเกิด่าความรู้ตัวขึ้นมานะขณะที่เรานั่งเรารู้ไม่ว่าเรานั่งอเรานอนรู้ไม่ว่าเรานอนเรายืนรู้ไม่ว่าเรายืนเราเดินรู้ไม่ว่าเราเดินนะนี่เราสังเกตกายแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราสังเกตกายไปแล้วเราก็จะสังเกตใจได้ด้วยนะ การเราสังเกตกายพอใจมันคิดแป๊บไปเราก็รู้ทันรู้ทันเพราะว่ามันหลุดจากกายนะมันไปอยู่ในใจแทนขณะนี้มันอยู่ในใจมันมีความคิดปั๊บมันถือมันหลุดไปแล้วนะมันก็หลงเข้าไปในความคิดแต่พอเรารู้ว่าขณะนี้เราคิดปั๊บมันก็กลายเป็นความรู้ตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะเราสามารถที่จะรู้แล้วรลึกได้แล้วว่าเราคิดไปเพราะฉจากการที่มันหลงมันก็เปลี่ยนเป็นรู้ได้นะมันหลุดจากกายไปเป็นความคิดถ้าเราไม่รู้ว่าเราการคิดนั่นแหละหลง แต่ว่าเรารู้ว่าขณะนี้เรากาลังคิดอยู่นะ อ, อ, อันนี้เราไม่หลงแล้วนะเรามีสติขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นความรู้ตัวในการที่เราสามารถที่จะรู้ทันความคิดเหลืออมลมต่างๆในขณะนั้นก็เรียกว่าสติคือความระลึกได้มีสมิธัญ ญ, ญาคือความรู้ตัวนะพอมันโกรธปั๊บสมัยก่อนมันโกรธนะสมัยก่อนมันโกรธเราจะเข้าไปในความโกรธเร็วมากเลยยังนึกถึงสมัยที่อาตามา ย, ยังเป็นเด็กๆ สมัยก่อนก็โกรธกับเพื่อนๆบ่อยนะบางทีเล่นกันแปบ๊บหนึ่งก็โกรธกันแล้วนะโกรธกันแล้วบางทีก็บางทีรุนแรงก็มีนะบางทีก็ยังเคยชกต่อยกันนะแต่ว่าไม่ได้ชกจริงจังอะไรหรอกชกทีสองทีแล้วก็เลิกกันอะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็คว้างปากันนะบางทีอยู่ในเป็นนักเรียนก็อะไรเงี้ยทะเลาะ ก, กันเกือบทั้งวันแต่มันหายเร็วนะเพราะว่ารุ่งขึ้นก็หายแล้วก็เล่นกัน็ยัางเก่านะ ก็มึงเล่นกันแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกเดี๋ยวตอนเย็นก็หายก็พุ่งนี้ก็เล่นอย่างเก่านะมันรู้สึกว่าความโกรธมันไม่ได้จริงจังอะไรนะแล้วก็พูดตามความเป็นจริงด้วยโกรธก็บอกว่าโกรธนะฮะยกนิ้วโป้งเละโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะดีก็ยกนิ้วก้อยดีกันนะมันเป็นความเรียกว่าไม่ได้ใส่แซงนะคือเมโลมอย่างใดก็แสดงไปแต่แบบนั้นะแล้วมันก็ความโกรธมันก็เป็นของชั่วคราวไม่ได้ไปยึดมั่นอะไรพอเป็นนักเรียนโตขึ้นมาหน่อยครั้นี้นะ อ่าเริ่มโกรธกันนานแล้วสมัยก่อนยังสงสัยมีเพื่อนบอกว่าโกรธแล้วนะโกรธกับอีกอีกคนนึงแบบว่านี่มันโกรธแล้วเล้าลึกแล้วเป็นแก้วแตกแล้วมันสมานก็ยังเก่าไม่ได้แล้วก็สงสัยมันทําไมถึงต้องขนาดนั้นอะไรเงี้ยอเพราะมันเป็นนักเรียนโตมันมันจะเป็นจิแบบนั้นอ่าพอเป็นอ่าโตขึ้นมาอีกคราวนี้เริ่มแล้วมีการโกรธกันแล้วจะไม่ดีอย่างเก่าแล้วนะมันเหมือนกับว่าโกรธแล้วต่างคนต่างอ่า เก็บซ่อนความโกรธไว้นะแต่เจอกันก็ยิ้มแย้มจำใสกันแต่เก็บซ่อนความโกรธไว้ในใจนะแล้วก็ไม่ให้ภัยกันนะเพราะาเป็นผู้ใหญ่ยิ่งสังเกตได้ชัดเลยตอนนี้เริ่มใส่แซงแล้วโกรธก็จะไม่ผู้ประโกรธนะเออบอกว่าคิดถึงรักชอบต่างๆจริงๆใส่แซงทั้งนั้นเลยนะมันเป็นการใส่หนากากเข้าหากันนะแล้วก็โกรธยาวนานนะเนี่ยมันทำไมเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะจากสมัยก่อนที่โกรธแป๊บเดียวแล้วก็หายหายเร็ว แต่พอโตขึ้นมาแล้วมันทำไมโกรธยาวนานกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทแล้วก็ไม่พูดความจริงด้วยกลัวก็ไม่เวั่โกรธนะอะไรต่างๆแล้วนี่กลายเป็นคนโกห ก, ก, ห, ก, ก, ห, ก, กหลอกลวงไปอกีกนะมันก็มาจาก้ความยึดมั่นในตัวตนเรานี่แหละตอนเด็กๆ ก, ก็ไม่ได้ยึดมั่นอะไรเยอะมันก็ไม่เป็นไรอใครมาด่าเรามาว่าเรามาชกต่อยเราก็หายกันหายกันเร็วๆไม่มีอะไรพอโตขึ้นปั๊บแค่คาําด่าคํานินทา น, นิดเด็กก็ไปยึดมั่นอยู่ในใจต้องนาน ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนะมันเป็นเรื่องที่ว่าอ่าตรงเนี้ยมันนําความทุกข์มาเรานะมันไม่ไม่ใช่ใครทุกข์หรอกเราจะมีความทุกข์เองอ่าสมัยก่อนเคยไปนักเรียนนั่นอ่าตอนนั้นไม่รู้ไปเล่นกีฬาอะไรมารมาถึงก็เข้ามาในห้องปุ๊บมันไปทํำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เพื่อนไม่พอใจแล้วก็เพื่อนนี้ หลังนั years, ้นเขาโกรธต้องหลายปีก็ไม่รู้นะตอนหลังดีกันมาบอกวาเนี่ยโกรธต้องหลายปีแล้วนะไม่ทำอะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องไม่มีความทุกข์อะไรตั้งติงแต่เพื่อนนี่ก็มีความทุกข์โกรธต้องหลายปีตอนหลัมานั่งคิดโต้ทำไมเรื่องแค่นี้มานั่งโกรธอยู่แล้วมีความทุกข์จริงๆนะเราไม่รู้เรื่องเราเห็นจะทุกข์อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเราถ้าเราโกรธใครเราก็จะมีความทุกข์เพราะคนนั้นนะเพราะนั้นจริงๆแล้วเราอย่าไปโกรธใครดีกว่านะให้อภัยไปอย่างเเเดียวออ่่่่าาาจจจบกกกกกััันนนนลลิแหะะะร็ไมทุ นีตรงนี้มันมันมาที่ตรงที่พระเจ้าได้ทรงบอกไว้ว่าอ่ะทําทั้งหลายทั้งหมดเป็นไปเพื่อการปล่อยการวางกายไม่ยึดติดกายไม่ยึดมั่นถือมั่นนะตรงนี้มันจะออกจากความทุกข์ได้นะเพราะเราจับประเด็นในตรงนี้ได้โอ้จริงๆแล้วธรรมะสุดยอดของพระเจ้าคืออะไรก็คือพระไตยรักษ์นั่นเองเนาะอ่นะคราวนี้ดูปัตยรักษ์ในศาสนาอื่นมีไหมนะก็ไปดูศาสนาต่างๆศาสนาเปรียบเทียบต่างๆไม่ให้มีพูดถึงเลยนะไม่มีพูดถึงปไตยรักษ์ทั้งหมดเลยนะ แต่แต่ความจรงิงตรงนี้มันมันเป็นหัวใจหลักนะหัวใจหลักของธรรมชาตินะคือธรรมชาติทั้งหมดมันจะมาสรุปลงในตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นเตัวตนบุคคลเราเขาส one, ิ่งต่าง ๆ, ๆทั้งหลายทั้งปวงภูเขาแม่น้ําเรากาทั้งหลายแหล่มันจะลงในพไตรักษหมดเลยมีแต่ความไม่เที่ยงนะอ่ความไม่เที่ยงนี้เห็นชัดไหมจริงๆเห็นชัดกับเพื่อนะความไม่เที่ยงมันเห็นชัดกับเพื่อนเลยนะเราดูตัวเราเป็นต้นนะตอนนี้เรา ตอนนี้อายุมากแล้วมันก็แก่ใช่ไหมครับผมมันก็หงอกแล้วใช่ไหมตาก็เริ่มฟางนะสมัยก่อนไม่ต้องอ่านอ่านหนังสือไม่ต้องใช้แว่นเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้แว่นมาหูบางคนก็เริ่มตึงนะอาจจะต้องมีเครื่องช่วยฟังใช่ไผิวหนังก็เริ่มหย่อนนะมาก่อนหนังต่งตึงโอ้ดูแล้วสวยงามเดี๋ยวนี้หนังเหี่ยวหนังหนังกับเนื้อท้านกติดกันเลยนะนะ มันมันเป็นความเสื่อมน่เป็นความเสื่อมของสังขารนะโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมานี่มันมันหนีไม่พ้นจริงๆนะนี่นี่คือความไม่เที่ยงอ่ะในร่างกายนี่เราเห็นชัดเลยนะอ่าสมัยก่อนอ่ะน้ำเสียงเราอาจจะดีกว่า น, นี้น้ำเสียงตอนนี้มันก็ตกไปเหมันนักร้องนะอ่าบางคนนี่สมัยหนึ่ ง, งดังเดี๋ยวนี้ก็เริ่มที่จะไม่ดังแล้วเพราะาเสียงมันเริ่มตกนะเพราะดารานี่เป็นดาราในโทรทัศน์หรือในหนังนี่ไม่ได้นานนะปีสองปีก็หมดสภาพแล้วนะเพราะเริ่มที่จะอเปลี่ยนแปลงไปนะ ตรงนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้นะอหรือความเปลี่ยนแปลงในข้าเของเ ง, งใช้เราโทรศัพท์มือถือใช้มาไม่นานก็เสียแบตก็เสื่อมนะสิ่งของต่างๆนี่มันไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างหนึ่งมีแต่ความเสื่อมยิ่งใครไม่รถยนต์นี่ยิงรู้เลยนะยิงใครไม่รถยนต์เยอะนี่มันเป็นความทุกข์แท้ๆเลยนะมันทุกข์ทั้งนั้นนะต้องคอยซ่อมนู่นแก้นี่ตลอดเวลานะกุฏิเรานะเดี๋ยวก็น้ํารั่วน้ําซึมน้ําหยดอ้าวซ่วบางทีก็ลากเข้าไปแล้ว ลายไม่ลงบ้างอต้วมซึมบ้างนะไฟเดี๋ยวก็เสียนะอ่าตรงนั้นชํารุดตรงนี้ชํารุดต้องคอยแก้ไขตลอดเวลานี่แหละคือของรอบตัวเราเป็นแบบนั้นเองมันแสดงความไม่เที่ยงทุกอย่างนะตรงนี้มันมันเห็นชัดนะมันไม่ได้มันเห็นไม่ชัดนะหรือแต่คนที่เราคิดว่าอ่าเขารักเราเขาก็เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอความรักกลายเป็นความเกลียดบางทีเกลียดหนักกว่าเก่าอีกนะเกลียดหนักกว่าเก่า เ, นะเกีก เรายึดมั่นลูกเราต้องดีพอเขาไม่ดีเราก็มีความทุกข์แล้วนะเมื่อไม่นานมื่นี้ก็เคยคุยกับคนหนึ่งก็บอกว่าลูกเขาเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะไม่กระตันอยู่กับเขาแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าก็มีความทุกข์มากทําไมลูกก็เป็นเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นทั้งได้เขาดีทําดีกับลูกทุกอย่างนะก็บอกว่ามาก็มาคุยกันบอกว่าเนี่ยเพราะเราไปเป็นรักเขาไปยึดเขานั่นเองนะแล้วเราต้องการให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการ เ ร, เราก็ไม่เป็นไปตามเราต้องการล้วก็มีความทุกข์แต่เราวางใจง่ายได้ไหมว่าเราทําหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแล้วเราหลังนั้นเขาจะดีไม่ดีไม่ดีกับเราก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราบังคับเขาไม่ได้หรอกนะทุกคนมีกรรมของตัวเองนะถ้าลูกเขามีกรรมดีเขาก็ไปในหนทางที่ดีถ้าลูกเขามีกรรมชั่วเข ก, ก็ไปในหนทางที่ชั่วนะเด็กชาวนาก็เป็นหมอต้องเยอะแยะเด็กคนร่ํารวยก็ไปเสพยาเสพติดก็มากมายนะเพราะนั้นเราอย่าไปทุกข์กับเขาเลยนะ ระวังใจเถิดทุกคนมีกรรมของตัวเองเราทําหน้าที่ดีจบแล้วไม่ต้องไปคอยพะวงกับลูกอีกนะเขาเข้าใจนี่เขาก็เริ่มปล่อยเริ่มวางได้เขาก็มีความสุขมากขึ้นนะนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ได้เลยนะมาดูในความทุกข์นี่เป็นความทุกข์จริงๆนะไม่มีใครไม่มีความทุกข์หลอกเขาทุกอย่างมันมีแต่ความไม่น่าไม่นอนนะก็เรียกว่าความทุกข์ก็คือทนในภาวะเดินไม่ได้เมื่อมันทนในภาวะเดินไม่ได้มันจึงมีแต่ความไม่น่าไม่นอน เมืไอ้ความไม่แน่ไม่นอนน่ะแค่เรายอมรับเขาเราก็ไม่ทุกข์แล้วนะยอมรับในความไม่แน่ไม่นอนนะมันจะมันจะไม่ทุกข์อ่าเพราะงั้นการปฏิธรรมจริงๆมันเป็นการยอมรับเท่านั้นเองนะคือยอมรับทุกอย่างยอมรับในความไม่แน่ไม่นอนในความไม่เที่ยงนี่แหละแล้วมันก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะเขาจึงไม่ใตัวไม่ตนของเราทุกอย่างเราบังคับบัญชาไม่ได้ทั้งสิ้นแม้แต่ตัวตนเรายังบังคับไม่ได้เลยเราเราจะแบบบังคับใครจิตใจเราก็บังคับไม่ได้นะ ให้เขาหยุดคิดสักห้านาทีก็ไม่ได้ะมันไม่ได้หรอกให้เขาให้เขาอย่าไปกดใครก็ไม่ได้ะให้เขาอย่าไปรักใครก็ไม่ได้ะให้เขาเป็นไปตามเราต้องการก็ไม่ได้นะให้เรามีสติตลอดเวลาก็ไม่ได้เข้ามานี่แหละคือการที่เราบังคับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเราก็ไม่ถูกแล้วนะมันเป็นเช่นนั้นของเขาเองนะอ่จิตใจเราบังคับก็ไม่ได้บางครั้งเขาก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีไม่เป็นไร พอเราบังคับก็ไม่ได้แต่ถ้าเราบังคับเขาได้เขาก็จะกลายเป็นตัวเป็นตนของเรานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมชาติเขาต้องการให้เราถึงพระนิพพานอยู่แล้วนะพระนิพพานก็คือความที่มันออกจากความทุกข์ทั้งปวงการที่เราออกจากความทุกข์ทั้งปวงคือเราเข้าใจสภาวธรรมตามความเป็นจริงเข้าใจจิตใจเราจิตใจเรานี่ไม่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะถ้าผู้ใดที่เข้าใจธรรมชาติผู้นั้นก็สามารถพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกับที่หลวงพ่อคมเขียนท่านก็พูดเอาเขียนเอาไว้แล้วก็ อตอนนี้ท่านอ่าให้เขียนหนังสือแล้วนะตอนนั้นท่านเขียนหนังสือแล้วแล้วก็ติดอยู่ที่สาราหน้าอยู่ที่ไม้กระดานที่ตรงหน้ า, านผู้ประธานอูธรรมะคือธรรมชาติผู้ใดที่เข้าถึงธรรมชาติผู้นั้นก็อาจจะพ้นจากความทุกข์ได้เนาะนี่นแหละเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงคือจิตใจเราจิตใจเราคือธรรมชาติจิตใจเราคือความไม่เที่ยง ความบังคับบัญชาไม่ได้ความไม่แน่ไม่นอนนะตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ว่าเราเข้าใจในตรงนี้มันจะเกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดนะเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราทั้งหมดเนาะดังนั้นเมื่อร่างกายจิตใจไม่ใช่ของเราแล้วเพราะฉะนั้นอาการของใจจึงไม่ใช่ของเราด้วยเราก็มีหน้าที่แค่รู้ไปตามความเป็นจริงแล้วเราก็อยู่เหนือเขาเราไม่ต้องการกำจัดว่าเออมันโกรธมันไม่ดีนะ แต่เรารู้ไม่ว่าความโกรธนั้นนะเป็นของเขาเองไม่ใช่เราเป็นเรื่องของใจเป็นแค่าการของใจอย่างหนึ่งนะเข้ามาเข้ามาเข้าไปเข้าไปไม่ได้เกี่ยวกับเราเราไม่น่าที่แค่รู้แค่ดูแล้วก็แค่ปล่อยแค่วางแค่ไม่ยึดติดเท่านั้นเองนะเพราะ น, นี่นี่คือธรรมชาติของความจริงที่ว่าเราบังคับสิ่งต่างไม่ได้เลยนะมันเป็นตามที่เรกว่าเป็นเช่นนั้นเป็นตัฐตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไมต่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้ทุกๆอย่างในโลกนะ ตรงนี้พอเราเข้าใจแล้วเราก็จะอยู่เหนื อ, อาเหนือโลกเหนือกิเลสที่เมื่อกี้บอกว่าที่พุทเจ้าบอกว่าเป็นผู้เหนือเหนือตัณหาเหนือกิเลสก็ค ok ือตรงนี้นะก็คือกิเลสมันยังมีอยู่แต่ว่าเราอยู่เหนือเขาแล้วนะเพราะเราอยู่เหนือเข้าแล้วเราก็ไม่ทุกข์นะอะเพราะฉะนั้นบางคนเคยมีนักปฏิบับอกว่าไปฏิบัติธรรมมาต้องนานแล้วยังมีความทุกข์อยู่ถามว่าทุกข์ทำไมเขาบอกวเขาไม่ก้าวหน้าเลยเพราะว่าเขายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ ก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วนะมันไม่จะเป็นตไปละก็หลอกเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรานะความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ของเรามันเป็นแค่อาการของจิตเท่านั้นเองเป็นสภาวะหนึ่งที่จิตมันแสดงออกมาว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ะเขาจึงได้แสดงความโลภความโกรธความหลงออกมานะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็แค่รู้ตามความเป็นจริงว่าเราบังคับก็ไม่ได้เขาเป็นเช่นนั้นเองเราไม่น่าที่แค่รู้ไปตามความเป็นจริง เมื่อรู้ตามความจริงว่าเป็นของเขาเองแล้วมันจึงไม่ใช่ของเรานะถ้ามันไม่ใช่ของเราปุ๊บนะมันก็คือการปล่อยการวางการไม่ยึดติดเท่านั้นเองนะมันก็จะออกจากสิ่งเหล่านั้นได้นะใจมันก็คือไม่ใช่ของเราทุกอย่างไม่ใช่เราทั้งหมดไม่ตัวไม่ตนของเรามันเป็นการปล่อยการวางมันไม่ยึดติดเนอะมันจะตรงกันเลยนะที่พระเจ้าได้ทรงสรุปคําบุดรท้ายว่าสัพเพธรรมานารังอพิเนเวสัยยะทำทั้งหลายเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเนอะแล้วก็มาตรงในหลวงพาะคัมภียน หลวงพ่อมัีนนั่นก็มีเขียนเอาไว้นะตอนนั้นจะเป็นที่ท่านเขียนไว้แล้วบอกว่าออืลําคลองต่างๆก็มารวมเป็นแม่น้ําทั้งสี่คือปิงวางยมนานแม่น้ําปิงวางยมนาคก็มารวมเป็นแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําเจ้าพยาก็จะนําน้ําทั้งหมดออกไปสู่ทะเลได้ฉันใดการปล่อยกันวางอ่าเปรียบเสมือนแม่น้ําเจ้าพยาชันนั้นนะก็ยังนําความทุกข์ต่างๆออกไปสู่ทะเลคือความพ้นทุกข์ได้ฉั้นใดฉันนั้นเนาะ นีมันจะมาสรุปตรงนี้สุดท้ายใะไการปล่อยการวางการไม่ติดกันที่เราไม่ให้ค่ากับสิ่งต่างนะมันเป็นสภาวะที่มันมาแล้วก็ไปไม่เกี่ยวกับเรานะไม่ได้ใช่ไม่ให้ตัวไม่ตนของเรานี่แหละคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้ที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระ ต, ตรัรน้อมนําให้ทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยฉับพันโดยเร็วพันทุกท่านเทอญ